วันนี้พวกเราก็ได้มาร่วมกันฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการเติมพลังให้แก่จิตใจจิตใจของเราก็เป็นเหมือนกับรถยนต์ที่จะต้องคอยจอดแวะตามสถานีบริการ ต่างๆเวลาที่เชื้อเพลิงคือน้ำมันรถหมดถ้าไม่เติมน้ำมันรถก็จะไม่สามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้จิตใจของพวกเราก็ต้องคอยเติมธรรมะอยู่เรื่อยๆถ้าปราศจากธรรมะแล้วใจของพวกเราก็จะอ่อนกำลังลงไปจนหมดกำลังท้อแท้ ไม่มีกําลังจิตกําลังใจที่จะทําอะไรต่างๆได้ต่อไปเวลาที่เราเกิดความรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายไม่มีกําลังจิตกําลังใจก็ขอให้เราจงรู้ไว้ว่ามันเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นตัวบ่งบอกว่าน้ํามันของเราใกล้จะหมดแล้วเหมือนกับมาตรวัดรถ มาตรวัดน้ำมันในรถยนต์เราต้องคอยสังเกตดูอยู่เรื่อยๆว่าตอนนี้น้ำมันเหลืออยู่มากน้อยเพียงไรถ้ามาต ร, ริ่มลงเกือบจะถึงศูนย์เราก็ต้องรีบแวะเข้าไปเติมน้ำมันกันเพราะเรารู้ว่าเวลาน้ำมันหมดแล้วรถยนต์ไม่สามารถวิ่งไปไหนได้อีกต่อไป การใดเวลาที่จิตใจของเราเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายอิจฉาระอาใจหมดกําลังจิตหมดกําลังใจที่จะทําอะไรต่างๆได้สแสดงว่าน้ํำมันใกล้หมดแล้วกําลังใจใกล้หมดแล้วเป็นเวลาที่เราต้องไปเติมน้ํำมันแล้วต้องเข้าสู่สถานีบริการแล้ว สถานีบริการของใจก็คือวัดวาอารามคำว่าวัดวาอารามนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่วัตถุทาวและวัตถุต่างๆเช่นโบ JD, สถ์เจดีศาลาวิหารกุฏิแต่หมายความว่าสถานที่สงบสงดัดวิเวก นั่นแหละคือวัดที่แท้จริงเช่นวัดในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพื่อการตัดสรู้สมัยนั้นวัดของพระพุทธเจ้าคืออะไรก็คือป่านี่เอ ง, งทรงประทับอยู่ใต้โคนต้นโพตอนที่ได้ตัดสุู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา ก็ทรงประทับอยู่ในป่าอยู่ตามลำพังอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากแสงสีเสียงของบ้านของเมืองวัดของเราสมัยนี้มันกลายเป็นบ้านเป็นเมืองไปแล้วจึงไม่ถือว่าเป็นวัดที่แท้จริงในความหมายของวัด ที่แท้จริงความหมายของวัดที่แท้จริงก็คือสถานที่สงบสงัดที่เอื้อต่อการเติมพลังเติมธรรมะให้แก่จิตใจธรรมะจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆดังนั้นเวลาเราเข้าวัดเราต้องเข้าให้ถูกวัด ถ้าเข้าไม่ถูกวัดแล้วก็จะไม่ได้เติมน้ำมันแทนที่จะเติมน้ำมันอาจจะไปเติมน้ำแทนเราเติมน้ำก็ไปในถังน้ำมันเครื่องยนต์ก็จะเสียหายได้ถ้าเราเข้าวัดที่ไม่ใช่เป็นวัดแทนที่จะได้ธรรมะเราอาจจะได้ยาพิษให้กับจิตใจก็ได้ให้โมหะได้โมหะอวิชชา แทนที่จะได้ธรรมะเราก็กลับได้ความหลงความมืดบอดที่ทำให้เรายิ่งมีความทุกข์มีความท้อแท้เบื่อหน่ายต่อการกระทาสิ่งต่างๆดังนั้นเวลาเราแวะข้อเติมน้ำมันเราต้องหาวัดให้เจอหาสถานีบริการที่มีน้ำมันจำหน่าย อย่าเข้าไปในสถานีบริการที่ไม่มีน้ำมันเพราะจะไม่เกิดประโยชน์อะไรควรจะเข้าวัดที่มีสถานที่สงบสงัดวิเวกมีการแสดงธรรมมีการฟังเทศน์ฟังธรรมมีการปฏิบัติธรรมเช่นมีการเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญสติ จเจริญสมาธิจเจริญปัญญาเพราะนี่แหละคือทรรมที่จะเป็นพลังแห้แก่จิตใจมีอยู่ห้าประการด้วย ก, กันคือหนึ่งศรัทธาความเชื่อสองวิริยะความภาคเพียร 3. ส, สติสสมาธิหปัญญานี่คือน้ำมันของใจ พลังของใจอยู่ที่คุณธรรมทั้งห้าประการนี้ในยามใดเวลาใดที่เรามีความท้อแท้ต่อ ก, การกระทมที่จะนำพาให้เราได้ไปสู่ความสุขความเจริญให้ได้อยู่ห่างไกลจากความทุกข์ทั้งหลาย เวลานั้นเราต้องเสริมศรัทธาเพิ่มขึ้นเช่นให้เราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้เราระลึกถึงพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าให้เราระลึกถึงพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่ได้ประพฤติดีปฏิบัติดีจนสามารถหลุดพ้น จากความทุกข์ทั้งหลายได้สามารถเข้าถึงเข้าถึงพระนิพพานแดนอันกเสมสำราญแดนแห่งบลังบลังมะบลัมังสุขขังคือแดนแห่งบรล ม, มัสุขได้ถ้าเราได้เราเลิกถึงพระพุทธเจ้าได้เราเลึกถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เราเลึกถึงพระอริยสงสารของพระพุทธเจ้า เราก็จะได้กำลังใจขึ้นมากำลังใจที่จะเพียรปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนต่อไปสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้เราเพียรสร้างกันขึ้นมาก็คือสติสมาธิและปัญญานี้นี่เองเพราะถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญา เราก็จะมีพลังที่จะต่อสู้กับข้าศึกศัตรูต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆที่กีดขวางการเจริญของจิตใจที่คอยสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญา เราจะไม่สามารถที่จะทําลายอุปสรรคที่ขวางกัน้นความเจริญในมรรคผลนิพพานนี้ได้เลยเราจะไม่สามารถทําลายข้าศึกศัตรูที่คอยสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจเราอยู่ตลอดเวลาเราจึงต้องมีศรัทธาก่อนมีความเชื่อว่าการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติ คือการเจริญสติสมาธิและปัญญาเป็นเครื่องมือที่จะทำลายสิ่งที่เป็นโทษแก่จิตใจสร้างสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ให้แก่จิตใจได้อย่างแท้จริงและถาวรไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถ ทำให้แก่จิตใจของเราได้เช่นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆบุคคลต่างๆไม่สามารถที่จะฆ่าทำลายฆ่าศึกษัตรูที่คอยเหยียบย่ำจิตใจของพวกเราให้มีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลาไม่สามารถที่จะ ให้เราได้ไปสู่ความสุขที่แท้จริงและที่ถาวรได้มีแต่ธรรมที่พุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติได้ทรงค้นพบและได้นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราเท่านั้นถ้าพวกเราอยากจะได้พบกับความสุขที่ถาวรความสุขที่แท้จริงต้องการที่จะหลุดพ้นจาก ความทุกข์ทั้งหลายต้องการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีวันจบไม่มีแหนสิ้นเราก็ต้องดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างดูพระอริยสงสาวกเป็นตัวอย่างว่าท่านได้ดำเนินอย่างไรท่านได้ปฏิบัติอย่างไรท่านจึงได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ ท่านจึงได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ท่านได้เข้าถึงพระนิพพานเข้าถึงปรมังสุขขังได้อย่างไรต้องศึกษาดูว่าท่านทําอย่างไรแล้วเราก็ทําตามท่านเมื่อท่านทําถ้าเราทําเหมือนท่านผลเราก็จะได้รับเหมือนกับที่ท่านได้รับเพราะมีผู้ที่ ทำเหมือนกับพระพุทธเจ้าและก็ได้รับผลเหมือนกับพระพุทธเจ้ามาแล้วก็คือพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายนี้เองในเบื้องต้นท่านก็เป็นเหมือนพวกเราที่ยังมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจมีความวิตกกังวลหวาดกลัวกับภัยต่างๆรอบด้านมีความอยากจะมีความสุขที่แท้จริงที่ถาวน พอได้พบกับคำสอนหรือได้พบกับพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาขึ้นมาศรัทธาที่จะน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติพอมีศรัทธาแล้วก็จะมีกำลังใจมีความภาคเพียรตามมาถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำนี้จะทำให้เรา ได้ผลที่ดีที่เลิกที่ประเสริฐความขยันหมั่นเพียรมันก็จะมาเองเหมือนกับถ้าเราทำงานแล้วเราได้ผลตอบแทนที่ดีเราก็อยากจะทำงานให้มากขึ้นไปเพราะเรารู้ว่ายิ่งทำมากยิ่งได้ผลตอบแทนมากแต่ถ้าเราทำแล้วเราไม่ได้รับผลตอบแทนเลย เราก็จะไม่มีกําลังจิตกําลังใจในเบื้องต้นตอนที่เราปฏิบัตินี้ถ้าเรายังไม่ได้รับผลก็ขอให้เราอย่าท้อแท้เบื่อหน่ายขอให้เราคิดถึงผลที่พระพุทธเจ้าที่ส่งได้รับขอให้เราคิดถึงพระอารหันตสาวกที่ได้รับผลต่างๆจากการปฏิบัติของท่าน เพื่อที่เราจะได้ไม่ท้อแท้เบื่อหน่ายให้เราคิดว่าเรายังทําไม่ถึงขีดที่จะทําให้เกิดผลขึ้นมาหรือว่าเรายังทําไม่ถูกถ้าเราทําไม่ถูกเราก็ควรจะศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือมันฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ จากผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่าไปฟังธรรมของผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติเพราะว่าจะทำให้ไม่ได้ผลเพราะผู้ที่ไม่ปฏิบัติจะไม่สามารถพูดหรือบอกได้อย่างถูกต้องว่าวิธีการปฏิบัติที่จะทำให้เกิดผลนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรดังนั้นเวลาฟังเทศฟังธรรม เวลาถามทางต้องไปถามคนที่รู้ทางถ้าไปถามคนที่ไม่รู้ทางเขาก็บอกผิดบอกถูกไปแล้วเราก็จะเสียเวลาหลงทางไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางต้องถามคนที่รู้ทางคนที่เคยไปทางนี้แล้วไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปแล้วเขาจะบอกทางให้เราได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เราจะไม่หลงทางอย่างแน่นอนนี่คือการสร้างศรัทธาขึ้นมาก็คือเราต้องมันศึกษามันฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ท่านทรงบัญญัติว่าอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งควรที่จะฟังเทศฟังธรรมกัน เพราะการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งนั่นเองเพราะจะได้ฟังวิธีการปฏิบัติที่จะพาให้เราได้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงไปถึงแล้วที่พระอาลาัยตสาวกทั้งหลายได้ไปถึงแล้วก็คือมรรคสีผลสีนิพพานอย่างนี้เองถ้าเราไม่ฟัง เราจะไปรู้ได้อย่างไรว่าวิธีที่จะทำให้มรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะว่าถ้าเรารู้แล้วเราก็ควรจะไปถึงมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งนี้มานานแล้วถ้าเรารู้จักวิธีปฏิบัติที่จะพาให้เราไปถึงมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่ง เราก็ต้องไปถึงมานานแล้วเราก็ไม่ต้องมาฟังเทศฟังธรรมกันให้เสียเวลาไปเปล่าๆแต่ตอนนี้เรายังไปไม่ถึงกันเรายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องไปเหมือนกับเราเดินทางไปขับรถไปเราก็ต้องแวะจอดถามคนที่รู้ทางไปเรื่อยๆว่าตอนนี้ถึงตรงนี้แล้วควรจะไป ตรงหนต่อควรจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือควรจะตรงไปถ้าไม่มีคนรู้ทางเราก็จะไปผิดทางได้เช่นแทนที่จะเลี้ยวซ้ายเรากลับตรงไปอย่างนี้ก็จะไม่พาให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางได้การฟังเทศฟังธรรมจึงเปเหมือนกับการคอยฟังคำบอกเล่าของผู้ที่รู้ทาง หรือเป็นเหมือนกับการเปิดแผนที่ดูทางที่เราจะไปถ้าเราไม่มีแผนที่เราเดินทางไปเราก็จะไม่รู้ว่าเราไปถึงไหนจะไปถึงจุดหมายปลายทางเราหรือไม่เราก็จะไม่รู้네การฟังเทศฟังธรรมนี้ก็เป็นแบบนั้นเราจึงต้องฟังอยู่เรื่อยๆฟังแล้วเราจะได้นำเอาไป ปฏิบัติจุดไหนที่ไม่ถูกต้องเราก็จะได้มาแก้ไขให้มันถูกต้องอย่างเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็มีศรัทธาญาติโยมท่านหนึ่งก็มาปฏิบัติที่วัดแล้วก็อยากจะทำใจให้สงบก็คิดว่าต้องหยุดการพูดคุยเพราะ คิดว่าการพูดคุยนี้ทำให้ใจไม่สงบแต่ความจริงใจจะสงบไม่สงบนี้ไม่ดีอยู่ที่การพูดคุยหรือไม่พูดคุยการที่ใจจะสงบนี้อยู่ที่ว่ามีสติคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งได้หรือไม่ถ้าสามารถควบคุมความคิดปรุงแต่งไม่ให้คิดปรุงแต่งได้ใจก็จะสงบได้ เมื่อใจสงบแล้วจะพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้เมื่อถึงเวลาจะพูดก็พูดเมื่อถึงเวลาไม่พูดก็ไม่พูดแต่ถ้ามาถือการไม่พูดเป็นการละงับความคิดตรงแต่งแต่เวลามีใครมาถามอะไรก็ใช้การเขียนหนังสือตอบไป อย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นการหยุดความคิดตรงแต่งเพราะเวลาจะเขียนหนังสือนี้ก็ต้องใช้ความคิดตรงแต่งคิดขึ้นมานั่นเองเช่นก็ถามว่าจะทำอะไรจะไปไหนแทนที่เราจะใช้ปากตอบเข้าไปเราก็ใช้มือเขียนหนังสือแทนอย่างนี้มันก็ยังใช้ความคิดตรงแต่งอยู่ใจก็จะไม่สงบอยู่ดีใจจะสงบได้ ก็คือต้องอย่าไปอยู่ใกล้คนเพราะว่าถ้าเราอยู่ใกล้คนเขาก็จะชวนเราคุยชวนเราพูดถ้าเราไม่พูดเราต้องเขียนคำตอบมันก็เหมือนกับพูดอยู่ดีเพราะเราต้องใช้ความคิดเราต้องการหยุดความคิดปรุงแต่งวิธีที่จะหยุดความคิดปรุงแต่งนี่เราต้องไปอยู่คนเดียวไปเปลีกวิเวก ถ้าปีกวิเวกเราก็ไม่ต้องพูดอยู่แล้วเพราะไม่มีใครจะพูดด้วยแต่ขนาดอยู่คนเดียวความคิดแม่งก็ยังคิดอยู่ได้ถ้าไม่ได้คิดผ่านทางวาจาก็คิดอยู่ในใจนั่นแหละคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงสิ่งนั้นคิดถึงสิ่งนี้คิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตคิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึง ถ้าปล่อยให้ความคิดยังคิดอย่างนี้อยู่ถึงแม้จะไปอยู่คนเดียวในที่สงบสงัดก็จะไม่สามารถทำใจให้สงบได้ใจจะสงบได้ต้องมีสติเพราะสตินี้เป็นเหมือนเบรกของใจใจนี้ถ้าเปียบเทียบก็เหมือนรถยนต์ที่วิ่งลงเขารถที่วิ่งลงเขานี้ถ้าไม่มีเบรกนี้จะไม่สามารถหยุดรถได้ยศ รถจะวิ่งลงไปเรื่อยๆแลวจะเร็วขึ้นไปเรื่อยๆใจก็เหมือนกันถ้าใจไม่มีเบรกคือสติใจก็จะคิดไปเรื่อยๆคิดไปจนเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาถ้าไม่มีเบรกใจจะไม่หยุดคิดถ้าไม่มีสติใจก็จะคิดไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าเราอยากจะหยุด ไม่ให้ใจคิดอยากให้ใจสงบให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิเราต้องใช้สติเป็นตัวควบคุมความคิดสตินี้ก็มีหลากหลายด้วยกันหลากหลายชนิดแต่ก็มีหน้าที่อันเดียวกันก็คือหยุดความคิดตรุงแต่สติในในตำราท่านก็แสดงไว้มีอยู่สี่สิบชนิด ที่เรียกว่ากรรมฐานสี่สิบกรรมฐานก็คืออารมณ์ที่เราใช้ผูกใจไว้ไม่ให้ใจไปคิดเรื่องต่างๆนานาเช่นถ้าเราใช้พุทธานุสติใช้พระพุทธเจ้าเป็นที่ผูกใจของเราเราก็ต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆถ้าเราระลึกอยู่กับพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึง ลูกคิดถึงสามีคิดถึงภรรยาคิดถึงเพื่อนคิดถึงบิดามารดาคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ได้ถ้าเราไม่มีพุโทโธเราไม่ได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเราก็จะไปคิดทันทีนี่คือสติเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อการปฏิบัติธรรม ต่อการเจริญมรสีผลสีนิพพานหนึ่งต่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายต้องมีสติเป็นผู้นำถ้าไม่มีสติแล้วสมาธิจะเกิดขึ้นมาไม่ได้ถ้าไม่มีสมาธิปัญญาก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ของปัญญาได้ก็คือทำลายข้าศึกศัตรู ของใจที่คอยสร้างความทุกข์ให้กับใจอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชานี้เองต้องใช้ปัญญาเป็นผู้ทำลายแต่ถ้าปัญญาไม่มีสติไม่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนปัญญาจะไม่มีกำลังไม่มีความสามารถที่จะสู้กับกิเลสตัณหาสู้กับโมหะอวิชชาได้ ปัญญาก็คือความรู้ความฉลาดของพระพุทธเจ้านี้เองที่พวกเราตอนนี้ก็ได้ยินได้ฟังกันอยู่เราก็ถือว่ามีปัญญาเหมือนกันแต่เราไม่สามารถข่ากิเลสตัณหาได้ในตอนนี้ mm. ก็เพราะว่าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิคอยสนับสนุนนั่นเอง เรารู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนว่ากิเลสตัณหาเป็นข้า ศ, ศึกศัตรูของพวกเราเราต้องต่อสู้เราต้องทำลายกิเลสตัณหาแต่เวลาเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาเราไม่มีกำลังที่จะหยุดเขาได้สู้เขาไม่ได้เพราะเราไม่มีสติไม่มีสมาธินี่เองแต่ถ้าเราจเจริญสติอย่างสม่ําเสมออย่างต่อเนื่อง เวลาเรานั่งสมาธิใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้พอใจเข้าสู่ความสงบแล้วก็จะเกิดอุเบกขาขึ้นมาเกิดความสุขเกิดความอิ่มใจขึ้นมาเกิดความพอใจขึ้นมาถ้าเรามีความสุขใจความอิ่มใจความพอใจแล้วเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเกิดกิเลสขึ้นมาเราก็จะไม่หวั่นไหวเราจะไม่เดือดร้อน เราจะต้านกิเลสตัณหาได้อยากจะดูเราก็บอกว่าไม่ดูก็ได้อยากจะฟังเราก็บอกว่าไม่ฟังก็ได้อยากจะดื่มอยากจะรับประทานเราก็บอกว่าไม่ดื่มไม่รับประทานก็ได้เพราะเราไม่หิวใจของเราไม่หิวใจของเรามีอุบเบกขามีสมาธิมีความสงบนี่แหละคือ สิ่งที่เรายังขาดกันอยู่ปัญญาเราไม่ขาดกันปัญญานี่เรามีอยู่เรื่อยๆ เ, เราได้ยินได้ฟังทำกันมาอยู่เรื่อยๆทุกวันทุกเวลาเราเปิดเทปฟังก็ได้เปิดซีดีฟังก็ได้อ่านหนังสือก็ได้แต่ทำเหล่านี้ความรู้เหล่านี้เราไม่สามารถที่จะเอามาต่อสู้กับกิเลสตัณหาฆ่าศึกศัตรู ของพวกเราได้เพราะพวกเราเป็นเหมือนทหารที่ไม่ได้รับประธานอาหารแล้วไปออกรบ เ, เวลาไปออกรบแล้วไม่ได้รับประธานอาหารไม่ได้พักผ่อนหลับนอนจะมีกำลังที่จะไปต่อสู้กับข้าศึกศัตรูได้อย่างไรทหารจึงต้องมีมีอาหารมีเวลาพักผ่อนหลับนอน พอเขามีอาหารมีเวลาพักผ่อนหลับนอนเขาก็จะมีกำลังที่จะต่อสู้กับข้าศึกศัตรูได้ฉันใดใจของพวกเราตอนนี้ขาดอาหารขาดการพักผ่อนหลับนอนจึงไม่มีกำลังแม้จะมีอาวุธของพระพุทธเจ้าคือปัญญาแต่เราไม่สามารถใช้ปัญญาในการทําลายข้าศึกศัตรูของพวกเราได้ เพราะเราไม่มีกำลังกันดังนั้นเราต้องสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นด้วยการเพียนสร้างเจริญสติอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่ควรให้ปล่อยให้เวลาใดเวลาหนึ่งนี้เผลอไปขาดสติไปให้มีสติคอยควบคุมใจควบคุมความคิดไว้ไม่ให้คิด มากจนเกินไปหรือไม่ให้คิดเลยได้ก็ดีถ้าถ้าต้องคิดก็ต้องคิดกับเรื่องที่จำเป็นเช่นเรื่องของการงานที่เราต้องทำก็ต้องใช้ความคิดบ้างแต่ล้างชามก็ต้องใช้ความคิดเพ่งแต่ให้ใช้ความคิดกับเรื่องที่จำเป็นเท่านั้นแต่ซักผ้าก็ต้องใช้ความคิดแต่ไม่ได้คิดเรื่องอื่น คิดแต่เรื่องที่จำเป็นเท่านั้นในขณะที่เราต้องทำหน้าที่ดูแลรักษาร่างกายของเราเราก็ต้องใช้ความคิดในการทำหน้าที่เวลาเรารับประทานอาหารเวลาเราอาบน้าแต่งเนื้อแต่งตัวเวลาเราซักผ้าก็ต้องใช้ความคิดบ้างแต่ความคิดเหล่านี้ไม่เป็นปัญหาอะไร พอเราไม่มีความจำเป็นจะต้องคิดอะไรเราก็หยุดคิดเช่นเวลาเราเดินไปเดินมาเช่นเดินจงกรมอย่างนี้เราก็ควบคุมความคิดไว้ให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆหรือถ้าเราจะใช้ร่างกายเป็นที่หยุดความคิดก็ให้เฝ้าดูเท้าที่เราเดินแต่ละก้าวเช่นเราก้าวเท้าซ้ายเราก็รู้ว่าเราก้าวเท้าซ้าย เราเก้าวเท้าขวาเราก็รู้ว่าเราเก้าวเท้าขวาให้รู้อยู่กับการเดินของร่างกายการก้าวเท้าของร่างกายไปจนกว่าเราจะหยุดเดินแล้วมานั่งสมาธิพอเรานั่งสมาธิเราก็หลับตานั่งขัดสมาตั้งตัวให้ตรงแล้วเราก็จะใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ หรือเราจะใช้การบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปก็ได้หรือบางท่านชอบใช้ทั้งสองอย่างผสมกันก็ได้เป้าหมายก็คือให้มีอะไรผูกใจเอาไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆไม่ใช่วิธีการเป้าหมายของเราก็คือไม่ให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าอยู่กับลมหายใจเข้าออกมันก็ไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ หรือถ้าอยู่กับพุทธโธพุทธโธมันก็จะไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือจะอยู่กับพุทเข้าโทออกก็ไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ใช้ได้แต่ถ้าอยู่กับพุทธโธแล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ถือว่ายังใช้ไม่ได้แสดงว่าใจเรายัางเป็นสองอยู่ยังไม่เป็นหนึ่งใจวบไปวบมาอยู่กับพุทธโธสองคำแล้วก็แวกไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ แล้วพอได้สติก็กลับมาหาพุโทโธพุธโทโธใหม่อย่างนี้เรียกว่าใจยังไม่มีสติอย่างต่อเนื่องเป็นสติแบบล้มลุกคลุกคลานเดี๋ยวก็ล้มเดี๋ยวก็ลุกเดี๋ยวก็คลานต้องให้มันเป็นพุโทโธพุธโทโธไปอย่างต่อเนื่องเพียงอย่างเดียวหรือถ้าดูลมก็ให้ดูลมอยู่กับลมเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าอยู่ได้อย่างต่อเนื่องประมาณห้านาทีใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้นี่คื อ, อประเด็นสำคัญของการภาวนานั่งสมาธิทำใจให้สงบก็คือต้องมีสติอย่างต่อเนื่องการจะมีสติอย่างต่อเนื่องได้นี้จำเป็นจะต้องเจริญสติอยู่เรื่อยๆคอยดึงดึงใจให้ อยู่กับเนื้อกับตัวให้อยู่กับพุทโธได้อยู่กับการกระทําของร่างกายคอยดึงมาอยู่เรื่อยๆแต่ใจมันชอบไปอยู่เรื่อยๆพอเราไม่ดึงปั๊บมันก็ไปหาคนนั้นหาคนนี้หาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้หาเรื่องนั้นหาเรื่องนี้เราต้องพยายามดึงกลับมาอยู่เรื่อยๆการที่จะเจริญสติได้อย่างต่อเนื่อง ได้ผลดีก็คือต้องไม่มีภารกิจการงานอย่างอื่นแล้วก็ต้องไม่อยู่กับใครที่อยู่ก็ต้องเป็นที่สงบจะได้ไม่มีอะไรมาดึงใจให้ออกไปจากกรรมฐานที่เราใช้เป็นเครื่องผูกใจนั่นเองคือจะไม่ให้มีอะไรมาดึงใจให้ออกจากพุทโธไปไม่ให้มีอะไรมาดึงใจออกจาก การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายจะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องไปปีกวิเวกอยู่คนเดียวไม่ต้องมารับรู้กับเรื่องราวต่างๆผ่านทางตาหูจมูกมืนกายเพราะว่าเวลาที่ตาเห็นอะไรปั๊บนี้ใจมันจะลอยไปกับสิ่งที่เห็นเลยแทนที่จะอยู่กับพุทโธพอเห็นภาพปั๊บใจมันจะปรุงแต่งไปกับภาพที่เห็นทันที เราต้องดึงใจต้องดึงใจออกจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตทัพฑต่างๆมาอยู่ในป่าในเขารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณจะไม่ดึงใจออกไปเพราะไม่มีอะไรที่จะดึงดูดใจเหมือนกับรูปเสียงกลิ่นรสของคนของสิ่งของต่างๆนี่แหละคือเหตุผลว่าเราต้องเข้าวัดให้ถูก วัดที่ถูกก็คือวัดที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญนั่นเองวัดของพระพุทธเจ้าก็คือป่าเพาะป่าเขาลาเนาไผ่นี้เองพระสาวกทั้งหลายท่านก็บำเพ็ญอยู่ในป่าเขาลาเนาไผแม้แต่คูบาจารย์ถึงแม้ว่าท่านจะบวชอยู่ในวัดวาอารามที่มีถาวรวัตถุต่างๆแต่เมื่อถึงเวลาที่ท่านจะต้องปฏิบัติท่านต้องเจริญสติ ท่านก็ต้องหนีออกจากวัดที่มีชาววลวัตถุต่างๆเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเจริญสตินั่นเองจะต้องไปอยู่วัดของพระพุทธเจ้าก็คือต้องไปอยู่ในป่าในเขาไปอยู่ตามลำพังคนเดียวอย่างนั้นแหละถึงจะมีโอกาสที่จะเจริญสติได้อย่างต่อเนื่อง แล้วพอจเจริญสติได้อย่างต่อเ น, นื่องเวลานั่งสมาธิใจก็จะรวมเป็นหนึ่งได้อย่างรวดเร็วรวมเป็นหนึ่งเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้มีความสุขที่เกิดจากความสงบมีความสุขที่เกิดจากอุเบกขาเป็นที่ตั้งของใจเป็นฐานของใจถ้ามีอย่างนี้แล้วจะมีพลังที่ต่อ สู้กับกิเลสตัณหาทุกชนิดเพียงแต่ว่าต้องใช้ปัญญาสอนใจให้รู้ว่านี่คือตัณหานี่คือกิเลสบางทีก็ไม่รู้ว่าเป็นกิเลสเป็นตัณหาแต่ถ้ามีธรรมะแล้วมีคําสอนของพพระพุทธเจ้าแล้วจะรู้พ่อพระพุทธเจ้าส่งได้ค้นพบรู้แล้วว่าอะไรเป็นตัณหา ตันหาก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลตระพะถ้าอยากดูอยากฟังเมื่ อ, อไหร่นี้แสดงว่าเกิดตันหาขึ้นมาแล้วเกิดความอยากขึ้นมาแล้วเป็นการสร้างข้าศึกศัตรูขึ้นมาแล้วหรือว่าเป็นการเปิดประตูให้ข้าศึกศัตรูเข้ามาทำลายแล้วถ้าเราไม่ต้องการให้ข้าศึกศัตรูเข้ามาทำลายมาสร้างความทุกข์ให้กับใจ เราก็ต้องปิดประตูปิดกั้นไม่ให้ข่าศุกศัตรูเข้ามาวิธีปิดกั้นก็คือไม่ทำตามความอยากนั่นเองอยากดูก็ไม่ดูอยากฟังก็ไม่ฟังอยากดื่มอยากรับประทานถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ไม่ดื่มไม่รับประทานอย่างนี้เราก็จะสามารถทำลายกามตันหาได้ เพราะว่าตัณหาก็เ <tree> ช่นเดียวกันความอยากมีอยากเป็นหรืออยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ต้องตัดไปให้ได้เพราะเราไปกาหนดไปควบคุมบังคับไปสั่งให้สิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้เสมอไปถ้าเราไม่ตัด เราก็จะอยากไปเรื่อยๆ เ, เวลาเราได้ดังใจอยากเราก็คิดว่าเราเก่งแต่พอเวลาที่เราไม่ได้เราก็จะรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแต่ถ้าเรามีปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าสิ่งต่างๆเขาเป็นอยู่อย่างนั้นเขามีอยู่อย่างนั้น เราไปห้ามเขาไม่ได้เราไปอยากให้เขาเป็นหรือไม่เป็นไม่ได้เขาต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเราต้องปล่อยอย่างเดียวปล่อยให้เขาเป็นไปเขาจะเจริญก็ปล่อยเขาเจริญไปเขาจะเสื่อมก็ต้องปล่อยให้เขาเสื่อมไปถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะตัดความอยากอยากมีอยากเป็นหรืออยากไม่มีอยากไม่เป็นได้พอเราตัดได้ เราก็จะไม่มีความทุกข์เราก็จะอยู่กับการเจริญกับการเสื่อมของสิ่งต่างๆได้จะอยู่กับการเจริญของลาบยศสรรเสริญสุขได้และจะอยู่กับการเสื่อมของลาบยศสรรเสริญสรรเสริญสุขได้ไม่เดือดร้อนเหมือนกับหยดน้ำบนใบบัวหยดน้ำกับใบบัวนี้จะไม่ซึมเข้าหากันต่างฝ่ายต่างอยู่กัน ใจกับราบยศสารเสริญสุขก็อย่างนั้นถ้าใจมีปัญญาใจมีสติมีสมาธิจะสามารถยับยั้งใจไม่ให้ไปดีอกดีใจไม่ให้ไปเสีย อ, อกเสียใจกับการเจริญหรือเสื่อมของราบยศสารสริญสุขได้สามารถยับยั้งจิตใจไม่ให้วุ่นวายไปกับการเจริญหรือเสื่อม กับะกับร่างกายเช่จนจะไม่วุ่นวายกับความแก่จะไม่วุ่นวายกับความเจ็บจะไม่วุ่นวายกับความตายเพราะรู้ว่าร่างกายเป็นอนัตตานี่คือเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นธรรมชาติเหมือนกับดินน้ำหนุนไฟเหมือนกับฝนฟ้าอากาศร่างกายนี้ ก่อตัวขึ้นมาได้ด้วยการรวมตัวของธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลงไฟเหมือนกับฝนที่ตกนี้ก่อตัวขึ้นมาได้ด้วยการเลอะเหยของน้ำที่ระเหยขึ้นไปในอากาศแล้วก็รวมตัวเป็นก้อนเมฆแล้วก็ตกลงมาเป็นฝนร่างกายนี้ก็เหมือนกันร่างกายนี้ก็เกิดจากการรวมตัวของธาตุสี่ดินน้ำลงไฟ ปรากฏให้เป็นรูปร่างอาการ312ขึ้อนมาแล้วก็มีการเจริญเมื่อเจริญได้เต็มที่แล้วก็มีการเสื่อมตามมาพอเสื่อมได้เต็มที่ก็หยุดร่างกายก็หยุดทำงานหยุดหายใจพอหยุดหายใจธาตุทั้งสี่ก็แยกสลายเหมือนกับก้อนเมฆที่สลายไปกลายเป็นน้ำ กลายเป็นน้ำฝนตกลงมาอันนี้คือธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นธรรมชาติทามาจากดินน้ำลมไฟท่านถึงเรียกว่าไม่มีตัวไม่มีตน ต, ตัวตนนี้เกิดจากความหนงไปสมมติกันขึ้นมาท่านั้นเองว่าอาการสามสิบสองนี้เป็นตัวเราเป็นของเราหรือเป็นตัวของพ่อของแม่ของพี่ของน้อง ของลูกของหลานของสามีของภรรยาแต่ความจริงมันเป็นเพียงสมมุติเหมือนกับป้ายที่เราเอาไปติดไว้เท่านั้นเองแต่มันไม่ได้เป็นไปตามที่ตามที่ป้ายติดเอาไว้มันเป็นดินน้ำนมไฟเดี๋ยวมันก็ต้องแยกกับเคื่นสู่ดินน้ำนมไฟไปนีถ้าเรามีปัญญาเราเห็นร่างกายเป็นอย่างนี้ เราก็จะไม่ทุกข์กับการเสื่อมกับการสลายของร่างกายถึงเวลาร่างกายเป็นอะไรเราไม่เราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเราเป็นผู้มาอาศัยร่างกายอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเราคือใจคือผู้รู้ใจที่มีปัญญาแล้วก็จะไม่ทุกข์กับเรื่องของร่างกายและเรื่องราวต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ ที่ใจของเรายังทุกข์อยู่ก็เพราะว่าเรายังหลงอยู่ยังหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราราภยศสเสริญสุขเป็นของเราเราก็เกิดความอยากให้เจริญเพียงอย่างเดียวเวลาไม่เจริญหรือเวลาเสื่อมเราก็ทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ว่าเขาต้องเขามีเจริญเขาก็ต้องมีเสื่อมเป็นธรรมดา เราก็ไม่ไปยุ่งกับเขาเขาเจริญก็ปล่อยเขาเจริญไปเขาเสื่อมก็ปล่อยเขาเสื่อมไปเราไม่ไปซึมซาบไปเอาเขามาเป็นตัวเราเป็นของเรามันก็ไม่มีปัญหาอะไรเวลาคนอื่นเจริญเวลาคนอื่นเสื่อมเราไม่เห็นเดือดร้อนเลยเพราะเราไม่ได้ไปถือเขาว่าเป็นเรานั่นเอง ฉ่นในถ้าเราไม่ถือว่าเป็นของเราแล้วเราจะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆแต่ถ้าเราไปถือว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราขึ้นมาเมื่อร่เราจะทุกข์กับสิ่งนั้นขึ้นมาทันทีเพราะสิ่งนั้นไม่ช้าก็แล้วก็จะต้องมีการเสื่อมมีการหมดไปนั่นเองนี่คือปัญญาที่เราต้องใช้หลังจากที่เราได้สมาธิแล้ว ถ้าเราอยากจะทำลายตัญหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจทำลายความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจต้องทำลายด้วยปัญญาด้วยการสนับสนุนของสติและสมาธิถ้ามีสติสมาธิแล้วพอใช้ปัญญาก็สามารถที่จะทำลายตัญหาความอยากต่างๆไปได้หมดเลยพอเกิดความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ปัญญาก็จะบอกว่าเราสั่งเขาได้หรือเปล่าเราห้ามเขาได้หรือเปล่าถ้าสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้ไปอยากทําไมอยากไปแล้วก็ไปทุกข์ไปเปล่าๆอยากแล้วก็ไม่ได้ดังใจอยากนี่คือการใช้ปัญญาต้องใช้อย่างนี้ใช้ให้เห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นอนัตตาเป็นอนิจจังเขามีการเจริญมีการเสื่อม เราไปสั่งเขาไปห้ามเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ให้เจริญไม่ได้ห้ามเขาไม่ให้เสื่อมไม่ได้เขาจะเจริญเขาจะเสื่อมก็ต้องเป็นเรื่องของเขาถ้าห้ามได้ก็ห้ามได้บางครั้งบางเวลาแต่เดี๋ยวมันก็เดี๋ยวก็ห้ามไม่ได้อยู่ดีเช่นห้ามไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็รักษามันไปบางทีเราก็รักษาได้ รักษาได้ก็เหมือนกับเราห้ามไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้แต่มันก็ต้องมีถึงเวลาที่เราต้องไม่สามารถห้ามไม่ให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้มันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็รักษาไม่หายมันมีแต่จะตายเท่านั้นถึงจะหายนี่คือสิ่งที่เราต้องพิพจารณาไข้ควรอยู่ได้เรื่อย ก, กับทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจของเรามา เกี่ยวข้องด้วยมามีความผูกพันด้วยมีความสัมพันธ์ด้วยต้องให้รู้ว่าเขาเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเขาจะต้องมีการเปลี่ยนไปเขาเขาจะต้องมีวันศูนย์ไปหมดไปและเราไม่สามารถที่จะไปะยับยังไม่ให้เขาเป็นอย่างนั้นได้ถ้าเราเกิดความอยากยับยัง้งอยากไม่ให้เขาเป็นอย่างนั้น เราก็จะเกิดความทุกข์ใจไปต่อๆไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเราไม่มีความอยากเราปล่อยให้เขาเป็นไปตามความจริงของเขาเราก็จะไม่มีความทุกข์ใจกับทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่รากยศสารเสริญสุขแล้วก็มาที่ร่างกายของเรามาที่ความรู้สึกนึกคิดของเราเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ เวลาเขาจะทุกข์เราไปห้ามขาไม่ได้เวลาเขาจะสุขเราจะบอกให้เขาสุขไปนานๆก็ไม่ได้เขาจะสุขนานเท่าไหร่ก็ต้องเป็นเรื่องของเขาเขาจะทุกข์นานเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเราไม่ไปเกิดความอยากแล้วใจของเราจะไม่ทุกข์ความทุกข์ของใจนี่รุนแรงกว่าความทุกข์ของร่างกายงั้นเราอย่าไปยุ่งกับเรื่องของร่างกายมากจนเกินไป ยุ่งเท่าที่เรายุ่งได้ดูแลรักษาเท่าที่เรารักษาได้พอรักษาไม่ได้เราต้องหยุดแล้วเราต้องทําใจต้องรู้ว่ามันสิ่งที่เราต้องรักษาคือใจของเราเราต้องหยุดความอยากของเราหยุดความอยากให้ร่างกายหายจากโรคภัยค่าเจ็บในเมื่อมันไม่สามารถรักษาให้มันหายได้เนี่ต้องปล่อยมันไป พอไปแล้วใจเราจะหายทุกความทุกข์ของใจเหล่านี้รุนแรงกว่าความทุกข์ของร่างกายหลายร้อยเท่าด้วยกันพอใจของเราไม่ทุกข์แล้วความเจ็บความทุกข์ของร่างกายจะไม่เป็นปัญหาจะเป็นเหมือนเข็มฉีดยาเจ็บนิดเดียวแต่ยังไม่ทันฉีดพอหมอบอกว่าจะฉีดยาเท่านั้นใจก็ทุกไปก่อนแล้วถ้าใจไม่ทุกข์ไม่กลัวเข็มฉีดยาแล้วเวลาฉีดเข้าไปมันก็เจ็บนิดเดียว นี่คือเรื่องของปัญญาที่เราต้องเจริญหลังจากที่เรามีสติมีสมาธิแล้วเวลาเกิดตัณหาเกิดความอยากขึ้นมาต้องใช้ปัญญาเข้าไปสกัดต้องใช้ใจรักษณเข้าไปสกัดต้องใช้อนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปทําลายถึงจะทําลายได้อย่างถาวรเมื่อทาลายได้แล้วความทุกข์ทั้งหลายก็จะหมดไปใจก็จะ อยู่อย่างโน้มเย็นเป็นสุขการที่ใจจะอยู่อย่างโน้มเย็นเป็นสุขได้ใจต้องมีพลังมีกำลังที่จะต่อสู้กับข้าศึกศัตรูที่คอยสร้างบัณฑ์กำลังของใจคือกิเลสตัณหาต่างๆโมหะอวิชชาด้วยการหมั่นแวะเข้าสถานีบริการเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมและปฏิบัติธรรม การฟังธรรมอย่างเดียวนี้ไม่พอเพียงต่อการสร้างพลังให้แก่ใจฟังแล้วต้องนำาอาไปปฏิบัติด้วยเพราะถ้าฟังอย่างเดียวก็จะได้กำลังชั่วขณะที่ได้ยินได้ฟังพอไม่ได้ฟังปั๊บพลังที่ได้จากการได้ยินได้ฟังก็จะค่อยๆจางหายไปอาจจะอยู่ได้สักไม่กี่ชั่วโมงเวลาฟังเทศฟังธรรมเสร็จใหม่ๆนี้ใจจะมีพลังอยากจะปฏิบัติอยากจะเจริญสติ อยากจะนั่งสมาธิอยากจะเจริญปัญญาแต่พอถ้าไม่ไปปฏิบัติเดี๋ยวพลังความต้องการที่จะปฏิบัติมันก็จะอ่อนกำลังลงไปแล้วเดี๋ยวก็จะเกิดความท้อแท้เบื่อนหน่ายตามมาใหม่ดังนั้นหลังจากที่ฟังธรรมแล้วก็วต้องปฏิบัติต้องเจริญสติบริกรรมพุทโธพุทโธไปควบคุมความคิดอยา่าให้คิดตุงแต่ แล้วก็นั่งสมาธิสลับกําเนินจงกลมจนกว่าจิตจะรวมเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเป็นเอกขตกระตาลมได้เป็นอุเบกขาได้แล้วทีนี้ก็จะมีพลังที่จะอยู่กับเราไปนานมีพลังที่จะใช้ปัญญาทําลายข้าศึกศัตรูได้ต้องเกิดจากการปฏิบัติการฟังธรรมนี้เป็นการเป็นการบอกทางเป็นบอกวิธีการ เมื่อรู้ว่าวิธีการของการสร้างพลังทาอย่างไรแล้วเราก็ต้องทำกันเหมือนกับเราออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมีกําลังถ้าเราศึกษาวิธีออกกําลังกายแต่เราไม่ออกกําลังกายร่างกายก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ก็จะไม่มีกําลังเหมือนเดิมอยู่แต่ถ้าเราศึกษาวิธีออกกําลังกายว่าต้องทำอย่างไรบ้างต้องวิ่งกี่กิโลต้องกระโดด ต้องกระโดดต้องทำอะไรต่างๆในท่าไหนบ้างพอเราทำไปร่างกายก็จะมีกำลังขึ้นมานันใดพอเราได้ยินได้ฟังทมแล้วว่าถ้าเราอยากจะได้กำลังใจไว้ในการต่อสู้กับกิเลสตัณหาเราต้องจเจริญสติอย่างต่อเนื่องเพราะว่าพอเรามีสติแล้วเวลาานั่งสมาธิจิตก็จะรวมเป็นอุเบกขาได้ พอจิตรวมเป็นอุเบกขาได้เราก็จะใช้ปัญญามาต่อสู้มาทำลายกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้นี่คือเรื่องของการสร้างปัญญาสร้างสร้างกำลังให้แก่ใจต้องมาที่มีการศึกษามีการปฏิบัติต้องมาที่ที่มีความสงบสงัดนีเวทึงจะสามารถสร้างกำลังใจขึ้นมา และสามารถทำลายตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้แก่าจให้หมดไปได้สามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ด้วยการเข้าวัดศึกษาและปฏิบัติธรรมนี้เองการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผ่อน ยะถาวาเลวาฮาปูระปาริกุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกาปติอ oh ิชิตังปัิตังตุมหังคิดเป้เมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิต so ิโยวิวาจันตุสัพพรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนศีลิสะนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรมมวาทานติ อายุวนโนสุขังภาลางต่อไปนี้จะมีถามปัญหาตอบกันคืออย่างนี้ครับอาจารย์ครับผมรู้สึกทำงานมาเป็นสิบกว่าปีแล้วคราวนี้เนี่ย ในระหว่างที่ทํางานผมปฏิบัติธรรมมาประมาณหกปีแล้วครั้นี้เนี่ยพอปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆอใจมันรู้สึกปล่อยอยากจะปล่อยวางเรื่องทางโลกครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าหาเงินได้จํานวนที่คิดว่าพอพอใจแล้วครับแต่ครั้นี้เนี่ยผมมีภรรยาซึ่งป่วยอยู่เป็นโรคหมอนรองกระดูกครับแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยอยากจะ หลักเพื่อไปบวชแต่คราวนี้เนี่ยผมก็ติดอยู่ที่ว่าผมจะยังทํางานเพื่อเลี้ยงดูเขาต่อดีหรือว่าจะจะเดินยังไงต่อดีครับผมยังตอนนี้มันเหมือนหัวเลี้ยวหัวตอบมันก็อยู่ที่ว่าคุณจะให้ความสําคัญกับใครจะให้ความสําคัญกับการปฏิบัติของคุณหรือให้ความสําคัญกับการดูแลรักษาภรรยาคนก็ต้องชั่งน้ําหนักดูว่า อันไหนมันมันสำคัญกว่าตอนนี้ในเบื้องต้นคือเขาช่วยเหลือตัวเองได้แล้วครับก็คือหายได้ประมาณหนึ่งแต่คราวนี้ใจมันยังไม่ลงเต็มที่ว่าจะตัดสินใจติดขาดได้ครับก็ต้องลองลองทำไปแบบแบ่งเวลาออกไปบ้างเช่นนะะหาเวลาไปอยู่วัดเป็นเดือนเดือนดูก่อน แล้วดูว่าเราคิดว่าเราจะทําได้หรือไม่ได้ประโยชน์ไหมคือคต้องต้องซ้อมก่อนก่อนที่จะลงสนามจริงรเราลองไปซ้อมถือก่อนไปอยู่วัดหรือไปอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่คนเดียวตัดทางโลกไปให้หมดตัดทุกสิ่งทุกอย่างตัดทุกคนไปชั่วคราวก่อนครับ แล้วถ้าเราคิดว่าเราไปได้เราก็ไปถ้าเรายัางไปไม่ได้เราก็กลับมาบ ม, มาตามเหตุปัจจัยใช่ไหมตามกําลังมาเสริมสร้าง <c oughs> กําลังของเราต่อแต่ถ้าเราลองไปได้มันก็น่าจะไปได้ <c oughs> ที่มันไ ม, ไม่ที่ไปไม่ได้เพราะมไม่ไป <c oughs> <c oughs> ใจใช่ไหมมันอยู่แค่ตรงนั้นครับผ ถ้ามันไปมันก็ไปได้ถ้ามันไม่ไปมันก็ไม่ได้ไปแล้วมันอยู่ที่เราต้องตัดสินใจว่าอะไรมันมีความสำคัญต่อกันถ้าเรามองใจของเราว่าเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันก็เป็นของชั่ ว, วคราวภรรยาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็เป็นของชั่วคราวถ้าเราเอาเวลามีค่านี้มาดูแลรักษาของชั่วคราว เราไม่มาดูแลรักษาของท่ถาวรเราก็จะเสียเวลาไปเสียโอกาสไปเพราะว่าเราอาจจะไม่มีเวลาที่จะไปดูแลรักษาใจาของเราถ้าเราตัดสินใจบวชแล้วนี่เราไม่ได้ถือว่าไม่มีความรับผิดชอบใช่ไหมครับก็อยู่ที่ว่าเราต้องดูแลเขาหรือเปล่าถ้าเรายังต้องดูแลเขามันก็ถือว่าไม่มีการรับผิดชอบ แต่ถ้าเราหาคนอื่นมาดูแลแทนก็ได้หรือเปล่ามันก็ต้องชั่งน้ำหนักดูถ้าเขาดูแลตัวเองได้โดยถ้าเจ็ดแปดสิเปอร์เซ็นก็ก็เราก็ทิ้งเงินทองที่เราหามาให้เขาไว้ครับแล้วก็ให้เขาคิดว่าเหมือนกับว่าเราไปประสบอุบัติเหตุลดความตายไปก็แล้วกันไม่มีไม่มีเราอยู่แล้วครับเพราะว่า เพราะว่าถ้าเราเกิดเราไปประสบอุบัติเหตุตายไปแล้วเขาจะอยู่อย่างไรเขาก็ต้องอยู่ตามสภาพที่เราทิ้งให้เขาไปเนี่ยเรามีเงินทองเท่าไหร่เราเขาก็ต้องอยู่กับสิ่งนั้นไปรหรือเขาก็อาจจะหาคนอื่นมาอยู่มาดูแลรักษาเขาก็ได้ต่อไป ค, คนมีบุญคนมีอะไรเขาก็อาจจะมีเทวดาคุ้มครองรักษาเขาเองแต่แตก็ไม่ควรจะทอดทิ้งกันถ้าเขาเราเราไปแล้วเขา เขาตายไป อ, ยอันนี้บางทีเราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นวิบากของเรารที่เรายังต้องทนรับไปก่อนทนอยู่กับเขาไปก่อนพร้อมถ้าเราไปแบบนั้นเราอาจจะไปแบบไม่สบายใจแล้วก็จะมาเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติของเราไปแล้วในที่สุดก็อาจจะต้องกลับมาอยู่ดีเพราะความไม่สบายใจดังนั้นเวลาไปนิ้ใจมันต้องขาด มันต้องไม่มีอะไรผูกใจไว้เลยถ้ามีแล้วมันจะเป็นปัญหาขึ้นมาได้ต่อไปอยังต้องพยายามตัดปัญหาต่างๆที่ค้างคาค้างคาอยู่ในใจให้ไปให้หมดให้พิจารณาให้รอบครอบให้เห็นด้วยตายลักษณนี้มันก็มันก็พอที่จะไปได้แต่ตัวเขาเองก็เป็นนักปฏิบัติครับแต่ว่าถ้าเขาส่งเสริมเราเนี่ย ก็ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์ครับหมายถึงเขาอนุโมทนาเขายินดีครับก็แสดงว่าเขาก็เขาก็เห็นความสําคัญของการปฏิบัติครับผมแ้าตัวเขาเองก็อาจจะได้ปฏิบัติเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับเรามากังวลกับเราต่างคนต่างที่บางทีความห่วงมันเลยทําให้ต้องมาวุ่นวายกันด้วยกันทั้งสองฝ่ายครับพอตัดความห่วงายได้ ตัวใครตัวมันได้มันก็สบายยึดหลักอัตตาอิอัตโนนาโถไปตนเป็นที่พึ่งของตนใครใครจะบันที่พึ่งของเราได้ไปตลอดไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องเป็นอะไรไปครับแต่ถ้าเรามีเราเป็นที่พึ่งแล้วเราก็พึ่งเราได้ตลอดคขอบพระคุณมาะอาจารย์ครับนักกมีคําถาม <c oughs> อยากจะถามบ้างไหมได้ <c oughs> ครับต่อไปเป็นคำถามจากทางเ c e b ุ๊กพระอาจารย์สุชาติพิชาโตนะครับคำถามข้อแรกจากคุณจีรวัดนะครับแม่ของผมชอบเล่นการพนันผมตั้งใจอธิษฐานจิตภาวนาวิปัสสนากรรมฐาน <c oughs> และแผ่เมตตาให้ท่านอย่างสม่ำเสมออยากให้ท่านถือศีลภาวนา แต่ท่านก็ไม่เลิกเล่นหลายครั้งผมก็ตอดว่าท่านไปให้เลิกเล่นแต่ท่านกลับโกรธไม่ยอมพูดคุยด้วยการต่อว่าหรือการบอกกล่าวเชิญตําหนิกับ บ, บุปการีเป็นบาปหรือไม่และผมควรทําอย่างไรให้ท่านคิดได้และเลิกเล่นการพนันได้การว่า บุปการอะไรนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะกระทำเพราะหรือว่าแม้แต่การสอนการสั่งก็ไม่ควรเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่กว่าเราท่านผ่านโลกมามากกว่าเราท่านรู้ทุกสิ่งทุกอย่างดีชั่วมากกว่าเราการที่ท่านยังทำสิ่งที่ไม่ดีอยู่ได้นั้นก็เพราะว่าท่านไม่มีกำลังที่จะหยุดมันนั่นเอง ไม่ใช่ท่านไม่อยากจะหยุดเองแต่ว่าท่านไม่มีกำลังหรือว่า <c oughs> ไม่สนใจที่จะหยุดเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปไปต่อว่าหรือไปสั่งสอนบิดามารดานอกจากว่าท่านขอร้องให้เราสอนให้เราสั่งอย่างพระพุทธเจ้านี่ต้อง ให้บิดาพระราชบิดามานิมนต์ให้ไปพระราชวังไปแสดงธรรมท่านถึงไปทั้งๆที่ท่านมีความรู้ระดับพระนิพพานท่านก็ยังไม่ไปเพราะท่านรู้ว่าถ้าไปโดยที่เขาไม่พร้อมที่จะฟังไปก็เสียเวลาเปล่าๆ เ, เหมือนกับที่หลวงตาท่านเทศว่าเหมือนกับเทน้าใสหลังสุนัข เทไปก็เสียน้ําเปล่าเทใบมันก็สลัดทิ้งหมดนะหรือเทน้ําใส่แก้วที่คว่ำอยู่ถ้าแก้วคว่ำอยู่เทน้ําลงไปมากน้อยมันก็ไม่สามารถที่จะเก็บน้ําไว้ได้เลยต้องดูว่าแก้วมันคว่ำเรือหงาย <c oughs> คนก็เหมือนกันต้องดูว่าเขายินดีที่จะฟังหรือไม่ฟังถ้าเขาไม่ยินดีก็อย่าไปพูดเลยเสียเวลา แล้วก็ทำให้เสียความรู้สึกทำให้เขากเกลียดเราขึ้นมาเปล่าๆดังนั้นปัญหาของเราอยู่ที่ความอยากของเราความอยากของเราทำให้เราทุกข์ใจจนอดทนทนไม่ไหวต้องไปต่อว่าบุปการเลยดังนั้นเราอย่าไปอย่าทำอย่างนั้นเราต้องรอจังหวะรอโอกาสหรือเราทำตัวเราเป็นตัวอย่าง อย่างพระพุทธเจ้านี้ท่านตัวทาพระองค์เองเป็นตัวอย่างก่อนพอคนอื่นเห็นตัวอย่างที่ดีแล้วเขาก็อยากจะทําตามแม้แต่อผู้ที่บวชเป็นพระภิกษุนี่ก็ไม่ควรจะไปสอนโยมพ่อแม่หรือครับอาจารย์พระภิกษุก็ต้องให้พ่อแม่นิมนต์ไปก่อนซึ่งทำเนียมไทยก็มักจะมีเวลา พระบวชใหม่ใกล้จะออกพรรษาหรือใกล้จะราศิขานี่มักจะนิมนต์ให้ไปแสดงธรรมที่บ้านอย่างนี้ก็ไปได้แต่ถ้าเขาไม่อาราธนาไม่นิมนต์ก็ไม่ควรที่จะไป <c oughs> ไปสั่งไปสอนเพราะว่ามันจะเกิดโทษมากกว่าเกิดประโยชน์อาจจะทำให้เกิดความบาดหมางน้ำใจกันขึ้นมา เพิ่งมีญาติโยมท่านหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนไปบวชในพรรษานี้แต่เพื่อนนี้เขาไม่รู้ว่าการบวชนี้บวชเพื่ออะไรแต่ญาติโยมคนนี้เขาเป็นคนเข้าวัดสนใจศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่แล้วพอพระบวชแล้วเขาก็ยังเล่นลายอยู่ยังติดต่อกับสีกายังอะไรกันอยู่ พอยาดโยมท่านี้ไปเตือนไปห้ามพระก็โกรธนะว่ามาสอนพระได้อย่างไรกลายเป็นกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาคนที่ไปเตือนพระก็เลยไม่สบายใจกลัวว่าตัวเองไปทําบาปหรือเปล่าก็เลยเดือนร้อนต้องมาถึงที่นี่เพื่อมาหาคาตอบแล้วบอกว่ามันไม่บาปหรอกการที่บอกให้คนทําความดี เพีแต่ว่ามันจะเหมาะสมหรือไม่อยู่ในฐานะหรือไม่ควรหรือไม่ทนันเองเพราะว่าถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าไปพูดไปทำในที่เวลาที่เขาไม่ยินดีเขาไม่ต้องการมันก็ไม่เกิดผลดีขึ้นมากับเกิดผลเสียเนี่ยก็อย่างที่เป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นต้องเราบัตรระวังเวลาเราจะไปเตือนใครไปสอนใครเราต้องดูว่าเขายินดีที่จะฟังหรือไม่อย่างเรานี่ไม่ไ ม, ไม่ไปหาใครปเทศสอนใครที่ไหนถ้าใครก็ไม่มาหาเราเราไม่เราไม่พูดเราไม่เทศแต่ถ้าเขามาหาเราก็แสดงว่าเขาอยากจะรู้เราก็เทศ อย่างเวลาไปบินระบาดก็ไม่เทศไม่สอนใครแตถ้าเขาถามเขาอยากจะรู้ก็บอกเขาได้ยัต้องดูก่อนว่าเขาหงายแก้วหรือเขาคว่ำแก้วถ้าเขาคว่ำแก้วก็อย่าไปเทน้ำใส่เลยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรการสอนใครก็ต้องดูว่าเขายินดีที่จะฟังเราหรือไม่ถ้าเขาไม่ยินดีที่จะฟังก็ไม่ควรที่จะไป สอนเขาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นบิดามารดาเป็นใครก็ตามถ้าเขาไม่ยินดีแล้วก็เหมือนกับเทน้ำใส่หลังสุนัขเนี่ยสุนัขมันได้น้ำปั๊บมันก็จะสลัดทิ้งหมดเก็บน้ำไว้ดื่มไว้กินดีกว่าอันนี้มีปัญหาข้อเดียวแลวคำถามข้อต่อไปจากคุณปีเตอร์หม่องนะครับ จริงไหมนั่งสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งแม้ช่วงขณะหนึ่งก็ได้อานิสงผลบุญมากกว่าการสร้างวิหารสร้างศาลาจริงเพราะว่าความสงบนี้จะมันจะเป็นเหมือนกับเป็นตัวสร้างศรัทธาให้เราปฏิบัติอย่างเข้มข้นต่อไปได้การสร้างท้าวลวัตถุต่างๆนี้เป็น บุญในระดับทานซึ่งให้ประโยชน์กับจิตใจน้อยกว่าบุญที่เกิดจากการรักษาศีลและบุญที่ได้จากการรักษาศีลก็ให้ประโยชน์น้อยกว่าบุญที่ได้รับจากการทําใจให้สงบดังนั้นถ้าสามารถทําใจให้สงบได้ก็ถือว่าได้บุญมากแล้วก็ไม่ต้องไปสร้างถาวรวัตถุอต่อไป พระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างถาวราวัตถุเลยพระพุทธเจ้าทำใจให้สงบเพียงอย่างเดียวพระพุทธเจ้าไม่เคยสร้างวัดไม่เคยสร้างโบสถ์ไม่เคยสร้างเจดีย์หลังจากที่สร้างพระให้ให้พระองค์เป็นพระแล้วพระองค์ก็ทรงสร้างผู้อื่นให้เป็นพระตามมาให้เป็นพระอริยรสงสาวกตามมาอันนี้แหละคือสิ่งที่เราควรจะสร้างกันคือสร้างสร้างพระ พระก็คือความสงบของจิตใจนี่เองจิตใจสงบมากเท่าไหร่ก็จะเป็นพระสูงขึ้นไปมากขึ้นเท่านั้นพระก็มีอยู่สี่ระดับพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอารหันต์ความสงบของพระแต่ระดับนี้ก็จะไม่เท่ากันพระโสดาบันนี่ก็จะสงบน้อยกว่าพระสกิดาคามีพระสกิดาคามีก็จะสงบน้อยกว่าพระอนาคามี พระอนาคามีก็จะสงบน้อยกว่าพระอารหาันต์นี่แหละคือการสร้างที่ที่ถูกต้องที่พรเจ้าต้องการให้สร้างท่านถึงสอนให้เราบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาแต่เรื่องท้าวลวัตถุถ้าจะสร้างก็ขอให้สร้างด้วยความจาเป็นเช่นขาดแคนที่อยู่อาศัยกุฏิไม่มีอยู่ ไม่มีศาลาไว้ใช้ทํากิจกรรมต่างๆก็สร้างให้พอเพียงต่อความต้องการถ้าพอเพียงแล้วก็ไม่ควรจะสร้างถ้ายังอยากจะสร้างก็ควรจะไปสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสัตว์โลกคือสงเคราะห์โลกเช่นไปสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนสร้างอะไรต่างๆจะดีกว่าสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์กันเต็ม ประเทศแล้วก็ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรการสร้างสาวรวัตถุนี้เขามีมีเหตุผลเช่นการสร้างเจดีย์นี้ก็เป็นการเก็บอัฐิของพระอรหันต์อัฐิพระธาตุของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์เพื่อจะได้เป็นสิ่งที่จะเตือนสติเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังที่มาเกิดจะได้ ศึกษาจะได้เรียนรู้ว่าครั้งหนึ่งในโลกนี้ได้มีผู้วิเศษคือพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ผู้ที่สามารถปฏิบัติทําลายกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้หลุดพ้นจากคลองทุกข์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้จะทาให้เกิดมีศรัทธาที่อยากจะศึกษาและปฏิบัติตามะ นี่คือเจตนาของการสร้างเจดีย์เอาไว้เจดีย์ก็มีอันเดียวเลือมีพอสมควรก็พอไม่จำเป็นที่จะต้องมีทุกวัดทุกว่าระเพราะย์ครับแล้วถ้าเกิดว่าสร้างโรงพยาบาลซึ่งมีคนได้ใช้กับสร้างศาลาวัดซึ่งคนไม่ได้ใช้เนี่ยครับซึ่งถ้ามองกันผิวเผินเนี่ย คงก็จะมองว่าสร้างสารวัดจะได้บุญมากกว่าแต่ถ้าตามความเป็นจริงแล้วสิ่งไหนได้บุญมากกว่ากันครับบุญก็อยู่ที่ประโยชน์ถ้าสร้างแล้วไม่ไม่ไม่ไม่ไมเกิดประโยชน์สร้างไปทำไมสร้างไว้ล้วก็ให้ก็อาจจะได้ประโยชน์แต่น้อยมากถ้าไม่มีคนใช้มีแต่สุนัขมาใช้หรือมีแต่นกพิ่ามาสายอยู่ก็ได้ประโยชน์กับนกกับกับสุนัข แต่นอกกับสุนัขนี้ไม่สามารถปฏิบัติทําได้ไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ไม่สามารถเป็นสาระเป็นที่พึ่งของอนุชนรุ่นหลังได้ที่เราทั้งสาวราวัตถุนี้ไว้ก็เพื่อส่งเสริมในการปฏิบัติสร้างจิตสร้างใจให้เป็นสาระเป็นที่พึ่งของผู้อื่นต่อไปอยน่นถ้าถามว่าสร้างสร้างศาลากับสร้าง โรงเรียนหรือสร้างโรงพยาบาลนี้อันไหนจะมีคุณค่ากว่ากันถ้ามีการใช้ประโยชน์เหมือนกันสร้างศาลาแล้วก็มีพระมาปฏิบัติมาบรรลุปเป็นพระอริยเจ้าแล้วสร้างโรงเรียนก็มีเด็กเรียนหนังสือจบระดับมัธยมระดับมหาวิทยาลายัยสร้างโรงพยาบาลก็รักษาคนไข้เจ็บไข้ได้ป่วยหา ย, หายจากโรคภยัยไข้เจ็บได้ทั้งสามอย่างนี้ประโยชน์อันไหนจะมากกว่ากัน ก็ต้องการสร้างศาลาสร้างวัดถาวรวัตถุเพราะทำให้เกิดมีพระอริยเจ้าขึ้นมาแต่สร้างโรงเรียนนี้ไม่สามารถทำให้เกิดมีพระอริยเจ้าขึ้นมาได้สร้างโรงพยาบาลก็ไม่สามารถทำให้พระมีพระอริยเจ้าเกิดขึ้นมาได้ค่ะขอทราบขอถามอ า, าจารย์ค่ะคือว่าโยมก็พากันสร้างโบสถ์เสร็จ <c oughs> แล้วฐานสงบนอันนี้ที no ่สร้างแล้วเนี easy, ่ยจะเกิดผลบุญไปทางไหนเจ้าคะก็มันอยู่ในในกลุ่มของทานไงก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ไม่อะไรไม่ไม่ไม่เดือดร้อนในเกี่ยวกับเรื่องเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆไปอยู่ที่ใดเราก็จะมีทรัพย์สมบัติมีเข้าของเงินทอง เป็นเป็นเป็นสิ่งที่จะคอยดูแลเราอยู่ค่ะแล้วก็หอละค่างละคะที่บัดเนี้ยไม่มีเลยแล้วโยมตั้งใจจะสร้างด้วยค่ะคือท้องใจตรงนี้อี ก, กอย่างหอละค่าเรื่องละค่างนี้ก็ก็เหมือนกันก็ถือว่าเป็นถาวารวัตถุเหมือนกันเป็นทานเหมือนกันเป็เออเป็นทา น, เ, น, ทานเราเราสร้างทานไว้แล้วเวลาต่อไปเราไปเกิดข้างหน้าเราขาด ขแคลนอะไรเราก็จะมีสิ่งขาดแคลนมาเราจะไม่อยู่แบบอดอยากขาดแคลนพูดง่ายๆจะอยู่แบบเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆแต่ทางเลือกอีกทางหนึ่งคือการนั่งปฏิบัติตามพร้อมกับที่สร้างวัตถุในพุทธศาสนาด้วยนะเจ้าค่ะก็ต้องทำเพราะถ้าไล่ขึ้นไปทํทำทานแล้วจะได้รักษาศีลได้ รักษาศีลได้ก็จะปฏิบัติทําได้พอปฏิบัติทําได้เราก็บวชได้พอบวชได้เราก็จะได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่พอปฏิบัติอย่างเต็มที่เราก็จะได้ไปพันธิพานได้เวลาโยมดิคิดแล้วโยมอยากทำรู้สึกว่ามันปื้นใจแล้วรู้สึกว่าการนทำปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นสึกว่าเสียดายถ้าเราถ้าเราไม่ได้ทําเลยเนี่ยกลัวเสียดายทุกวันนี้ก็พยายามที่จะ ปฏิบัติอยู่เรื่อยๆเพราะว่าถ้าเกิดโยมหมดโอกาสแล้วโย ม, ะยมจะต้องเสียได้การสร้างวัตถุ่มันก็ต้องหมดไปตามวันเวลาแต่การนั่งปฏิบัติธรรมหรือสวดมนตุษย์โยมโยมก็มีความสุขมากกว่าใช่แล้วมันจะติดไปกับเราหลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้วความสุขนี้ก็ยังไปกับใจเราอยู่ติดไปกับใจ แต่เราก็ต้องทําทานก่อนเพื่อที่จะก้าวขึ้นสู่การรักษาศีลแล้วก็ก้าวสู่การปฏิบัติธรรมตามลําดับต่อไปแต่ถ้าเราสามารถปฏิบัติธรรมได้เลยเราก็ไม่ต้องทําทานก็ได้รักษาศีลไปปฏิบัติธรรมไปออกบวชเลยก็ได้เพราะบางครั้งเราอาจจะเคยสร้างทานบา ร, รมีมามากพอแล้วทําให้เราไม่ยึดติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง เนื้อที่เราทําทานเพื่อที่เราจะได้ถอนสมอเรือรู้จักไหมเวลาเราจะออกเดินทางทางเรือนี่ถ้าเรือยังถ้าเรือยังมีสมออยู่มันจะไปไม่ได้ต้องถอนต้องถอนสมอเรือถ้าเรายังติดอยู่กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเราก็จะไปบวชไม่ได้เแล้วเราต้องทําทานสละทรัพย์สมบัติเข้าของจนเราไม่มีความผูกพันไม่มีความรักความหวง พอเราปฏิบัติทำได้ผลดีแล้วว่าไปดีกว่าทิ้งสมบัติเจ้าของเงินทองให้คนอื่นได้แต่ถ้าเรายังทำทานไม่ได้ยังหวงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองถึงแม้เราปฏิบัติทำได้เราก็ไม่อยากจะไปเรายังหวงสมบัติอยู่ยังรักสมบัติอยู่เวลาเหลือสักข้อนะครับจากคุณมณีรัตน์นะครับ เป็นกระเทยหากต้องการบวชกับทางวัดยานมีระเบียบข้อห้ามปฏิบัติอย่างไรบ้างสามารถทําได้ไหมคือกระเทยนี้ก็เป็นเหมือนผู้หญิงผู้หญิงจะมาบวชอยู่กับผู้ชายเป็นพระได้อย่างไรท่านถนึงห้ามไม่ให้กระเทยบวชเพราะว่าถ้าจะบวชต้องไปบวชกับแม่ชีอยู่กับแม่ชีได้อยู่เพราะวา่าเขาไม่ชอบผู้หญิงเนี่ยปัญหาของของการ การมีเพศต่างกันแล้วมาอยู่ใกล้กันก็เคยจะทําให้เกิดการเสกกามการร่วมหลับหลํานอนซึ่งเป็นข้อห้ามข้อข้อร้ายแรงของพระถ้าพระภิกษุร่วมเสกกรรมกับผู้อื่นนี้ถือว่าขาดจากการเป็นพระอย่าถ้าเราผู้หญิงที่อยู่ในข้าบของผู้ชายคือร่างเป็นผู้ชายแต่ใจเป็นผู้หญิงมันก็เหมือนกับผู้หญิงมาอยู่กับผู้ชายมาอยู่กับพระเดี๋ยวบางเคยก็หยอดดอด เดินเข้าหากันอย่างนี้เดี๋ยวมันก็ไปเสพกามกันไม่ได้ลังเกตว่าเขาเป็นเพศอะไรหรอกเพียงแต่ว่าการปฏิบัตินี่มันต้องถือพรหมจรรย์ต้องไม่เสพกามเพราะการเสพกามมันจะเป็นกระอุปสรรคต่อการเจริญวิปัสสนาต่อการเจริญสมสถวิปัสสนาภาวนาถึงต้องต้องไม่ให้หญิงกับชายอยู่ใกล้กัน แม้แต่ภิกษณียบวชแล้วก็ต้องอยู่กันคนละส่วนถึงแม้จะอยู่ในวัดเดียวกันก็ต้องแยกกันอยู่ไม่ให้ไม่ให้อยู่ร่วมกัน ง, งั้นกระเทยนี่ก็เปเหมือนผู้หญิงถ้าอยากจะบวชก็ไปอยู่กับพวกแม่ชีไม่เป็นปัญหาอะไรแต่แม่ชีพวกแม่ชีก็จะรับหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> อา้าวพวกกระเทยเขก็ทําตัวเป็นผู้หญิงอยู่ไม่อ่ะเห็นมาใส่บาตรทาบุญกันเยอะแยะ ก็บวชชีได้เพราใจจริงๆเขาเป็นผู้หญิงเมอใจเ็าเป็นผู้หญิงเขาก็ไม่ไปยุ่งไม่ไม่ไม่ไปยุ่งกว่าผู้หญิงด้วยกันหรอกเข้ <c oughs> าใจั้ยพระอาจารย์ครับพระอาจารย์เล่าเรื่องต้นโพต้นนี้ให้ฟังดีครับพระอาจารย์เออท่าที่ทราบมาก็คือตอนที่ขึ้นมาพัฒนาบนเขานิ่มในช่วงปีสองพันห้าร้อยี่สิบห้ายี่สิบหเนี่ย สมเด็จพระสังฆ ร, ราชท่านก็ขึ้นมาเพราะว่าเขาสร้างที่พักให้ท่านมาภาวนาแล้วสมเด็จท่านชอบอยู่ตามป่าตามเขาเวลาที่ท่านออกจากวัดบวรนี้ท่านมีเวลาท่านมักจะไปปีกวิเวกตามาสำนักปฏิบัติธรรมต่างๆของสายหลวงปู่มั่นทางภาคอีสานเนี่ยพอท่านมาสร้างวัดยานแล้วมีพระท่านมาบุกเบิกพัฒนาบนเขาแล้วก็สร้างกระสอบให้ท่านประทับอยู่ ท่านก็เลยขึ้นมาประทับแล้วก็ท่านก็เลยถือโอกาสปลูกต้นโพไว้เท่าที่จำได้เท่าที่ญาติยมผู้ที่รู้เหตุการ์เล่าให้ฟังว่าท่านปลูกอยู่ประมาณปี2526ประมาณเดือนมิถุนาถ้าจำไม่ผิดแต่ปี2526เลยแล้วก็ก็ค่อยๆเจริญโตๆขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นต้นโพใหญ่อยู่นี่ พอเดี๋ยวนี้ก็รวมกันก็สามสิบเอ็ดปีสองพันห้า้อยี่สิบหกถึงสอง7ันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดสามสิบเอ็ดปีด้วยกันก็มีการบูรณะฐานของต้นโพนี้มาเป็นระยะตอนต้นก็ไม่มีฐานแล้วมีญาติโยมมาทำฐานสร้างร้อมไว้ที่พอต้นไม้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นฐานก็ถูกรากแยกทำให้แตก จนหน้าสุดนี้ก็มีศรัทธาท่านใหม่มามาบูรณะให้อีกไม่กี่ปีอาจจะต้องทําใหม่ <c oughs> เพราะนี่เป็นเรื่องของอนิจจ์ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ก็เป็นเป็นอนุสรณ์ที่ว่าบึงเถานี้มีบุคคลที่ประเสริฐหลายรูปขึ้นมาประทับอยู่วันนี้ ตอนที่สมเด็จพระสังฆราชประทับอยู่วันนี้ในหลวงก็เคยขึ้นมาสนทนาธรรมก็สนทนาธรรมที่สาราที่พวกเรานั่งอยู่ตรงนี้แห่ะพอดีตอนนี้สาราหลังนี้เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆแล้วก็ในหลวงท่านก็เสด็จมาส่วนพระองค์มาดูโครงการพระราช ด, ดำริเมื่อก่อนนี้ที่บนเขารอบบริเวณนี้ยังเป็นเขาแบบไม่มีใครดูแลไม่มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไม่มีรั้วล้อม ร้อมรอบไม่มีถนนหนทางไม่มีอ่างเก็บน้ำอะไรต่างๆพระองค์ก็ส่งมาพิจารณาวินิจฉัยว่าบนที่บนนี้เป็นที่สงบสงัดเหมาะกับการปฏิบัติธรรมแม้พระองค์เองก็เคยปรารถว่าถ้าเป็นไปได้ตอนนั้นพระองค์ยังไม่พระชนมพัรษายังไม่ได้หกสิบพรรษาก็ทรงตัดว่าถ้าครบหกสิบพัรษาแล้วอยากจะส ล, ละราชสมบัติ อยากจะบวชนแล้วก็คิดว่าจะมาประทับอยู่ที่บนเขานี้อันนี้เป็นการปราลบึงทำให้เกิดมีการเตรียมการาไว้สร้างถนนหนทางเมื่อก่อนถนนที่ขึ้นมานี่จะเป็นทางดินทางลูกลังแต่พอมีพระราชดดำริท่านนี้ก็มีการเตรียมการเดินไฟฟ ง, ไฟ ฟ, งไฟฟ้าเดินอะไรต่างๆขึ้นมาถนนก็ลาดยาง ข, ขึ้นมาแต่ก็พระองค์ก็ไม่ได้ เสด็จมาเพราะว่าบ้านเมืองก็ยังไม่สงบก็เลยไม่ได้ไม่ได้ออกบวชแต่ทราบว่าพราะองค์ก็ยังทรงปฏิบัติธรรมอยู่ยังไปสนทนาธรรมกับสมเด็จพระสังฆราชเป็นปกติเพระองค์มักจะเสด็จไปที่วัดบวรตอนค่ำประมาณสักสองสารทุ่มไปแบบเงียบๆไม่มีใครรู้ไป แ, แล้วก็จะไปสนทนาธรรมกับสมเด็จพระสังฆราชเป็นประจำ ศาลาหลังนี้นอกจากมีสำเนาพระสังฆราชมีในหลวงแล้วก็มีรู้สึกจะมีเจ้าฟ้าหญิงทั้งจุฬาภรณ์กับพระเทพน้ำตาลเสด็จมาก็มีหลวงตาท่านก็คอยมาพักนอนหลับมาค้างแรมที่บนศาลาหลังนี้เอศาล า, าหลังนี้จึงเป็นถือว่าเป็นศ า, าลามงคลถึงแม้ว่าสภาพหน้าตาของมันจะไม่ค่อยน่าดูมีญาติโยมบนกลัวว่ามันจะพังลงมา เราก็บอกไม่พังหรอกมีเป็นมงคลมีบารมีของผู้ยิ่งใหญ่ปกคล้องคุ้มครองตอนที่ในหลวงเสด็จมาเป้าสังฆราชแล้วกลับไปพวกลูกศิษย์ที่ติดตามสมเด็จพระสังฆราชก็อยากจะลืมสาราหลังนี้ทิ้งเพราะเห็นว่ามันไม่เหมาะสมกับผู้ประเสริฐอยากจะสร้างให้มันที่ถาวรที่สวยงาม แต่ศาลาหลังนี้เพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่กี่เดือนแล้วก็ผู้ที่สร้างก็คือศรัท ธ, ธาญาติโยมชาวบ้านอำเภอที่พาไปบิณฑบาตเขาช่วยแบกไม้กันขึ้นมาเพราะตอนนั้นยังไม่มีถนนผนทางต้องแบกไม้ต่างๆไม้นี้ก็ได้มาจากการบริจาคของศรัท ธ, ธาท่านหนึ่งท่านมีบ้านเก่าแล้วก็รือบ้านทิ้งก็มีไม้ที่ยังดีอยู่ยังใช้ได้อยู่ก็ถวายสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระสังฆราช ท, ท่านก็เลยให้เอาขึ้นมาสร้างศาลาวันนี้เสาก็สายต้นไม้ที่มีอยู่วันนี้เสามันถึงไม่ตรงมันก็เป็นเหมือนกับเป็นไปตามรูปลักษณ์ของต้นไม้มันงอไปงอมามันก็ดูเลยรู้สึกว่ามันไม่มันไม่เจริญหูเจริญตาสําหรับผู้ที่เขาเคยเห็นแต่สิ่งที่สวยที่งามาก็คนละอยากจะลื้อทิ้ง พอชาวบ้านที่ทราบเขา้าเขาก็เลยขู่ว่าถ้ารื้อสาราเขาทิ้งเขาจะไม่ใส่บาตร <c oughs> พอสมเด็จท่านทราบไปกราบทูลให้ท่านทราบท่านบอกอย่าลื้อย่าลือ้อให้ <c oughs> เก็บเอาไว้รักษาน้ำใจเอาไว้สาราหลังนี้ก็เลยไม่ได้ลือ้อมีแต่มีการปรับปรุงนิดหน่อยเมื่อก่อนตอนที่ทาใหม่ๆจะเป็นมุงด้วยละด้วยยา่า พล้วเทนิยามันมีปัญหาทุกสี่ห้าปีมันจะเปื่อยต้องรื้มุงใหม่ก็เลยเปลี่ยนเป็นสังกะสีไปเลยสังกะสีนี่ก็รู้สึกว่าเปลี่ยนเป็นสองครั้งแล้วมั้งครั้งนี้ครั้งแรกแล้วก็ใช้ไปสักพักหนึ่งมันก็เสื่อมอนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นครั้งที่สองนะต่อหลังนี้ก็อยู่มาคู่พร้อมๆกับต้นโทเนี่แหละประมาณปีสองพันห้าร้อยี่สิบหกก็สามสิบเอ็ดปีแล้ว ก็พยายามที่จะรักษามันไว้ต่อไปเท่าที่จะรักษาได้ <c oughs> นี่คือความเป็นไปเป็นมาของอที่เขตปฏิบัติธรรมบนเขานี้ที่อาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เล่าให้ฟังบนเขานี้ก็ไม่มีไฟฟ้าดัง <c oughs> นั้นญาติโยมเวลาเอาหลอดไฟเอาพัดลมมาถวายก็ให้ ดูบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรเ อ, เอามาเราก็เอาไปให้ที่โรงเรียนของสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระสังฆราชท่านสร้างโรงเรียนให้เด็กเรียนฟรีอยู่ฟรีสมปีคือ ม, ม1ถึงมสด้วยกันบนนี้จะไม่มีไฟฟ้าเพราะต้องการให้พระอยู่แบบเหมือนไปทุ่ดงในป่าไม่มีไฟฟ้าถ้าไม่มีไฟฟ้ามันก็จะไม่ต้องมีสิ่งอื่นตามมาเช่นตู้เย็นพัดลมโทรทัศน์ อะไรต่างๆที่จะเป็นเครื่องทําลายการปฏิบัติธรรมยังไม่มิไ ม, ไม่ไม่ใช้ไฟฟ้าแล้วเนื่องจากยุบบนนี้บนเขาไม่มีแหล่งน้ําเราก็เลยใช้การรองน้ําฝน <c oughs> หาแท่งไว้แต่ลายใบกุฏีหนึ่งจะมีแท่งอยู่สามสี่ใบด้วยกันไว้สำหรับรองน้ําฝนแล้วพระที่จะอยู่นี่ก็ต้องรู้จักใช้น้ําอย่างประหยัดถ้าไม่พอบางทีก็ต้องลงไปใช้ที่วัดยาณ ตอนเช้าผ้าทุกลูกอยู่ที่นี่จะต้องเดินลงไปที่วัดยานเพื่อออกไปบินตบาทและฉันที่วัดยานก่อนจะกลับมาก็จะใช้เวลานั้นบางทีก็ซักจีวรที่ข้างล่างเพราะที่ข้างล่างมีน้ําพร้อมหรือท่าน ต, ต้องการอาบน้ําอย่างเต็มที่ก็อาบกันข้างล่างถ้าอยู่ข้างบนนี้ก็ต้องอาบแบบรูบลูบถูถูถไปตามัตภาพแต่มันก็ดีมันทําให้รู้จักประหยัดมัธยัต รู้จักความมากน้อยสันโดษผู้ที่ขึ้นมาบนนี้เขาต้องการสถานที่สงบสงับวิเวกแล้วเขาก็จะยินดีที่จะทนอยู่กับความยากลำบากเพราะความยากลำบากนี้มันเป็นอุปสรรคทางร่างกายแต่สิ่งที่เขาต้องการก็คือความสงบที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการเจริญความสงบทางของทันใจถ้าอยู่ที่สะดวกสบายทางร่างกายมักจะ เป็นอุปสรรคต่อการเจริญความสงบของทางใจเพราะถ้าอยู่ที่มีความพร้อมบริบูรณ์ก็มักจะมีคนอยู่กันเยอะแล้วก็จะมีสิ่งที่มาทำลายความสงบมีเสียงต่างๆมีเครื่องอะไรเล่นต่างๆเต็มไปหมดนั้นผู้ที่ขึ้นมาเขายินดีพร้อมที่จะอยู่แบบยากลำบากเหมือนกับไปอยู่ทุดงในป่า แต่สิ่งที่ก็ได้รับก็คือความวิเวยความสงบสงัดเหมือนกับอยู่คนเดียวเวลาปฏิบัติธรรมก็จะได้ผลดีได้ง่ายกว่าการอยู่ในที่มีความพร้อมบริบูรณ์ด้วยน้ำไฟต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องปิดย่อยเล็กๆน้อยๆที่มีโอกาสที่จะได้เล่าให้ญาติโยมได้ฟังกันก็พอสมควรแก่เวลา ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้นำสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ